ระหวัทงที่ครับคะราการสัสนิษฐานาเราได้ผ่านช่วงแรกไปแล้วนะคะคือการปฏิบัติธรรมตามพุทธวัชนะกับพระมาชาคาวโรมาถึงตอนนี้ท่านไผยบุตรบอกว่าวันนี้ตั้งใจมากเลยที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธองค์นั้นได้สอนในเรื่องของการบูชาไว้อย่างไรแล้วก็มาตรวจสอบกันดูซิว่าท่านนั้นบูชากันถูกต้องแล้วหรือยังในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในวันนี้นะวัสการคะ่ะท่านคะใช่ท่ารัม บ, บาน ก็พูดถึงเรื่องการบูชาเช่นว่าเอาเข้าวไปถวายพระพุทธหรือว่าไปเชงเมงอย่างเนี้ยอยช่วงที่ผ่านมามีการเชงเมงหรือว่ามีอาธิตทธายของบาดาบิดาเราเอาข้าวไปวางไว้ได้ไหมหรือบูชาแบบไหนอย่างเงี้นะก็ต้องทําความเข้าใจให้ให้ถ่องแท้นิดหนึ่ง เ, เรื่องของการบูชาเนี่ยมี2ลักษณะลักษณะแรกคือการใช้สิ่งของที่เรียกว่าด้วยบูชาด้วยอามิด ลักษณะที่สองก็คือบูชาที่ไม่ต้องใช้สิ่งของคือบูชาด้วยนิรามิตเอาอันดับแรกก่อนบูชาใช้สิ่งของก็โดยพุทธวจนะเนี่ยบอกว่าอาหารนะปัจจัยสีทั้งหมดได้เครื่องรูปไร้รูปทาของหอมดอกไม้ได้นะพวกนี้ได้ที่ถามว่าบูชาบูชาอะไรอ่ะก็บูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะบูชาะอะไรบูชาราหูได้ไห หรือบูชาสารพระภูมธิบารณ์ได้หรือเปล่าหรือบูชาเทวดาได้ป่ะก็บุคคที่ควรบูชาคุณดูคุณเอาสมบัติอะไรที่ผู้ที่ควรบูชานะเราเรากลับบ้านเราเจอพบหน้าพ่อแม่เราเร า, กเายกมือไหวไหมยกมือไหวถูกป่ะเจอผู้บงังคับบัญชานะบางทีก็ยกมือไหวด้วยคุณตามที่ของเขามีเพราะฉะนั้นการบูชาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณบูชาเพราะเหตุอะไรถ้าเราบูชายัง พ่อแม่เราบูชาเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อผู้อื่นก่อนอันนี้เป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องมาเราต้องต้องบูชานะอย่างคุณคนจีนมีงานเชียงแมงคนไทยมีงานตรุษไทยทำบังสกุลให้อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้บูชาได้นะบูชาสารพระภูมิบูชาได้ไหมก็ต้องถามว่าบูชาอะไร อ, อย่างบูช า, เ, าเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าบูชาพระพรหมอย่างเงี้ย ก็ต้องถามว่าคุณบูชาเขาเพราะอะไรนะอย่างเจ้านายเนี่ยเรายกมือไหว้เขาเพราะว่าโอ้คนนี้เขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่สอนลูกิเส์ลูกหาสอนลูกน้องนะมีให้โอกาสมีคนมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เแเรายกย่องเขาเพราะเหตุ น, นี้ก็ต้องถามว่าคุณบูชาพระพรหมมาเพราะอะไรคุณบูชาสารพระพรหมที่บ้านเพราะอะไรคุณรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือเปลา่าว่าเขามีคุณธรรมอะไรบ้างอย่างนี้นะถ้าทราบบูชาไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่ทราบเราเขาเห็นเขาบูชาการชัน้นทำบ้างแต่อันนี้เป็นศีลพระตประมาทใช่ไหมคนยังละอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นโสดบันแน่นอนทีนี้เราบูชาในลักษณะนี้เนี่ยใช้อะไรบูชาได้บ้างของหอมได้ดอกไม้ได้นะอ า, อาหารได้ไม่มีปัญหาแต่เขาจะได้รับหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราได้เคยพูดไปแล้วทีนี้การบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละ่ะตอนนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยนอนศีห์สายายาอยู่ที่เมืองกุศินารานะแล้วก็มีเทวดาเนี่ยเอาดอกมุญทารบโปรยลงมาดอกอะไรต่างๆกลิ่นหอมมีดนตรีบรรเลงขึ้นเนี่ยพูบูช า, รชานะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาอย่างเนี้ยยังไม่ชื่อว่าตถาคตได้รับการเคารพนับถือบูชาโดยสูงสุดนะแต่ว่าเธอผู้ใดเนี่ยปฏิบัติทำนะสมควรแก่ทําปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตาม ท, ทำอยู่เนี่ยชื่อว่าบูชาโดยสูงสุดอันนั้นก็คือการบูชาโดยที่เป็น อันนี้รามิดอย่างเราบูชาพ่อแม่อย่างเงี้ยอย่างพ่อแม่เรามีคุณธรรมคือความเมตตาคุณบอกว่าเราบูชาแม่เนี่ยโดยเอาคุณธรรมของแม่เรามาไว้ในใจอย่างนี้ก็ได้นะเอาข้อดีของเขาเนี่ยมาไว้ในใจก็ชื่อว่าบูชาแล้วเอาคุณธรรมของท่านมาไว้ในใจเพราะฉะนั้นคุณจะมีของไม่มีของก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าจุดประสงค์นั้นคืออะไร การบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้เป็นพุทธวจนะอาตมาก็ยืนยันตามพุทธวจนะอันนี้เป็นพุทธวจนะเลยนะคะการบูชาผู้ที่ควรบูชาใช่ภาษาบาลีว่าปูชานังจะบูชนิยานังเอตมังคัลมุตตมังนะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ที่ว่าการบูชาแบบไหนคุณบูชาพระพรหมพระพรหมทำอะไรเอามีเมตตานะพระพรหมพระพรหมก่อนที่เขาจะมาเป็นพรหมได้นี่ โอาโหก็ต้องทําหลายอย่างเอาอย่างเท้าสกัดเทวราชจะมาเป็นเท้าสกะเทวราชได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมสามอย่างหนึ่งเคารพพ่อแม่สองเป็นคนอดทนสามเป็นคนให้ทานนะพระรูปเจ้านี่เป็นเป็นพุทธประะนะคุณต้องให้ทานคุณต้องอดทนคุณต้องบูชาพ่อแม่คุณถึงจะมาเป็นเท้าสกะเทวราชได้เราบูชาเท้าสกัดเทวราชด้วยคุณธรรมที่เขามีเอาคุณธรรมนั้นมาไว้ในใจเราคุณกลายเป็นคนอดทนคุณกลายเป็นคนบูชาพ่อแม่คุณกลายเป็นคนให้ทานทําไมจะไม่ดีนี่หรอไห เพราะเราบูชาเขาด้วยการเอาคุณธรรมของเขามาไว้ในใจถึงจะดีไม่ใช่ว่าต้องจุดทูบเก้าดอกทูบสีแดงเอาหัวหมูด้วยอันนั้นก็เป็นการใช้อามิตบูชาก็อีกเรื่องหนึ่งก็เท่ากับว่าจริงๆว้าการบูชาถ้ามีเหตุผลแห่งการบูชานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันแสดงถึงคนที่บูชามีคุณธรรมถึงขั้นใช่ก็คือบูชาคุณธรรมของเขาว่างั้นเถอะโดยการเอาคุณธรรมของเขาเนี่ยมาไว้ในใจของเรา Uh huh. บางคนเนี่ยก็พอมาศึกษาผู้ทัวเจะนะอันนี้จะสับสนนิดหน่อยนะคะก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราก็เคยนะก่อนเข้าบ้านเราก็ต้องไหว้าสารพ อ, อเข้าบ้านมาที่ห้องพระเราก็มีเทวรูปค่ออะไรคะพระพุทธรูป ต, า, ตานเทวรูปก่อนคะ่ะเช่นมีตั้งแต่รูปพระมหากษัตริย์ในอดีต uh huh. นะคะรูปของ เทวรูปเป็นองค์ๆนี้เลยทั้งพระพรหมพระวิษณุพระพิกเนตอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าแม่คนอิ้มอ่ามันมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณบูชาพระอะไรอย่างรูปในในหลวงรอง .5 อย่างเงี้ยค่ะพระนพระบรมอ่าอ่าเขาเรียกพระบรมรูปทรงม้าอย่างเงี้ยคุณบีบแต่คุณยกมือไหว้คุณทาไปทำไมหวังนิบหวังหลุดพ้นหรือเปล่า ถ้าอันนี้ไม่ใช่นะปีศิลป ะ, ะตบประมาณถ้าบูชาคุณธรรมที่ท่านมีนะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เฉลียวฉลาดโอ้อันนี้มีเหตุผลทําได้ทำไมจะทําไม่ได้อืมแต่ว่าถ้ายกมือแล้วจะมาคุ้นขอให้ลูกสอบได้หน่อยหรือขอให้ลูลกถูกหวยอันนี้คนละเรื่องเลยอันนี้นะะเป็นการขอเป็นการคิดว่ากรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเพราะผู้อื่นบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของการบูชาพระที่ท่านบอกว่ามีอยู่สองประเภทของการบูชา ที่ว่าปฏบิบัติบูชาจะดีกว่าบูชาด้วยสิ่งอื่นการบูชาที่ไม่ใช่ปฏิบัติบูบชาก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถือว่าเป็นการบูชาสูงสุดแต่ก็ยังถือว่าเป็นการบูชาในระดับหนึ่งถูกไหมค ะ, ะการที่บูชาด้วยสิ่งของใช่ไหมค่ะเช่นดิฉันเห็นคนไทยก็จะต้องจุดทูบจุดเทียนถวายดอกไม้บางทีก็ไปปิดทอง เชื่อว่าทุกคนไม่ได้บูชาที่วัตถุหรอกนะคะใช่อาศัยว่าวัตถุนั้นเป็นตัวแทนแต่เราจะระลึกถึงคุณธรรมความดีของพระพุทธรูปของพระสงฆ์ของขอภัยค่ะของบุคคลนั้นพระพุทธเจ้ า, า, าที่อยู่ในรูปปั้นนั้นก็สามารถทำได้แล้วก็อาจจะมีประเภทที่แบบว่า อาจจะขอให้ลูกถูกขวยขอให้ลูกอย่างนี้อย่างนี้บ้างอันนี้ก็มีถ้าอย่างนี้ถือว่าผิดถูกไหมคะดันั้นถือว่าไม่ถูกต้องใช่อท่านคะทีนี้การบูชาที่ถูกต้องต้องถวายอะไรก็เลยมีคนสงสัยถ้าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยถวายอะไรถ้าบูชาพระสงฆ์เนี่ยถวายอะไรก็ถวายปัจชัยสี่ไงถ้าพระสงฆ์นะก็ถวายปัจชัยสี่สิ่งที่ท่านต้องการในการดําเนินชีวิตทั่วไปอันนี้ถูกต้องตามเป้วินัยค่ะคือเหมือนกับว่าบางทีเราก็สับสนที่ว่าพระพุทธองค์ว่า พระสงฆ์เนี่ยมีเขาเรียก อ, อะไรนะคะมีมีทรัพย์มีทรัพย์ของพระสงฆ์เนี่ยได้สองอย่างก็คือมีจีวรกับมีบาตรอ๋อทรัพย์ของพระสงฆ์อ่าหมายถึงว่าบริขารหรือว่าเครื่องที่เกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตของท่านอ่ะท่านก็มีได้ค่ะหมดทีนี้พอเนี่ยค่ะพอเราจะไปถวายของกะที่ท่านเคร่งเคร่งอ๋อยึดมั่นในคําสอนมากๆใช้คํำสอนเป็นที่เพึ่ง ค่ะก็ก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวฉันใช้คำว่ายึดมั่นผิดกับท่านผู้ฟังค่ะต้องใช้คําว่าเป็นที่พึ่งเออใช่เมื่อทีเราก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะจะถวายนั่นดีไหมนี่ดีไหมโน่นดีไหมเอ๋อเกรงไปหมดว่าจะผิดอะคะอ่ะท่านคะอืมนั่นสีเนาะทีนี้พวกคําว่าปัจจัยสี่ของท่านนี่กว้างมากนะคะถ้าปัจจัยสี่ตามความหมายของพวกเราทั่วๆไปก็คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหาร อะไรนะคะอยารักษาโรคอยาษ<ส> า, าโรคใช่เพราะฉะนั้นก็คงต้องอต้องเรียกว่ายังไงต้องคอยสังเกตต้องคอยสอบถามหรือว่าอสอบถามจากคนวัดอะไรลักษณะนี้นะ<ว>ถึงบางครั้งเนี่ยดิฉันเห็นคนที่ไปวัดเขาก็ไปตามอธยาศัยเขาคือเขาศรัทธาโอ้โหเขาอยากถวายจีวร อ, อืใช่ไหมครับบางทีไปวัดป่าเนี่ยก็ถวายจีวรแบบวัดทั่วๆั่วไป แล้วก็ยิ่วเข้าสารน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะคลิปได้ะคะ่ะอาา่อาฮะอ่าฮะแล้ว อ, อืมห้ามเขาไม่ให้ถวายได้ไหมคะอ๋อห้ามนี่ก็ชื่อว่าเป็นอา mith ไม่ใช่มิตรแท้ถ้าห้ามคนอื่นให้ทานนะสรุปแล้วคืออย่างนั้นก็ถวายได้ไม่ได้เสียหายอะไรไปได้จะไปได้ไม่ไม่ไมีปัญหาถ้าพระสงฆ์ท่านนั้นท่านจะอนุคเคราะห์เราไว้ให้ได้ก็ท่านก็สามารถทําได้ แล้วส่วนใหญ่พระสงฆ์ได้รับหมดไหมคะหรือว่าถ้าถวายของบางอย่างเนี่ยพระสงฆ์ไม่รับแน่นอน เ, ออเล่าก็อย่างเล่าสุรานะเราก็จะไม่รับอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นของผิดปกติที่ฉันเข้าใจว่าก็คงไม่มีใครถวายมั้งคะ อ, อหรือเงินรับก็ดีให้รับก็ดีอันนี้ก็ก็ไม่รับหรือพวกอาวุธอย่างนี้ก็เราก็ไม่รับมีอะไรอีกอสัตว์เลี้ยงพวกช้างแพะแกะไก่ที่นา พวกนี้ไม่รับ อ, อ๋อ ท, ที่ที่นาก็รับไม่ได้แต่ดิฉันเห็นว่าวัดสมัยนี้ก็จะมีคนถวายที่ดินเยอะนะคะอันนี้ก็คือถวายให้เป็นวัดไงไม่ได้ถวายให้เป็นนาออคือไม่ได้เอามาออให้เป็นทำสวนออหรือว่าปลูกข้าวอะไรอย่างนี้นะไม่รับแต่ถ้าคุณเอามาถวายให้ทำเป็นวัดออมีคนมานั่งสมาธิปฏิบัติทาเป็นใช้ที่ในเ ส, สนาสนวัดอนันนี้รับได้ อ, อ๋อค่ะอยู่ที่ออวัตถุประสงค์ของการให้ใชงาน อ, อ่ใช่ ช้างแพะแกะไก่อย่างนี้ไม่รับสุนัขคะ่ะท่านคะสุนัข ก, ก็ไม่รับพวกนี้มาปล่อยวัดเฉยๆบางทีเอาพวกที่เอาแอบบเอามาให้ไม่ได้ถวายแต่ว่าจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยไม่ได้มีในพุทธวจนะนะว่าห้ามรับนะอ่าก็มีพวกสัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์การค้าเนี่ยลักษณะนั้นน่ะ น, นะ <c oughs> อะเสือช้างแพะแกะไก่สุนัขสุ ก, กรโคมาลา <c oughs> พวกนี้ไม่รับ <c oughs> ทีฉันก็เห็นว่าเรื่องของความเมตตากับเรื่องของธรรมเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะอจะเมตตาต่อคนหรือจะเมตตาต่อสัตว์เนี่ยน่าจะเป็นคุณธรรมที่ดีคือคือพระเจ้าก็บอกอย่างนี้ว่าคือการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเนี่ยเป็นหน้าที่ของสมณะในเรื่องของทิศหกสมณะเนี่ยควรจะควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยด้วยการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้อะไรเราก็ควรจะบอกเขาบ้างในตามตามแต่ว่าคนที่บอกได้อย่างเงี้ยนะ ค่ะก็เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการบูชาในส่วนของการบูชาด้วยอามิสบูชาใช่ไหมคะที่ถวายเป็นข้าวของทั้งหลายแต่ว่าที่พระพุทธองค์ทรงสันเสริญนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติบูชาใช่คือนาอําเอาธรรมของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติใช่อย่างอย่างทองคําอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็เคยรับนะแตมาจําไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าะอะไรอาจจะเป็นวิปัสสีหรือเวสภูเนี่ยแหละเคยรับทองคํา แต่รับแล้วไม่ได้เอาไปคือรับแล้วก็กองอยู่ตรงนั้นจบเอาเอาใหม่ไม่ใช่รับทองคําแต่มีขราบดีคนหนึ่งเขาจะเอาทองคำเนี่ยมาท<ะ>ําเป็นวิหารถามว่าพระพุทธเจ้าจะจะทําให้ได้ไหมเป็นทางขึ้นไปทางขึ้นไปที่พักของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้จะบูชาด้วยอะไรแล้วโอ้โหทำมาพระพุทธเจ้ า, าลึกซึ้งมากเอาทองคํามาทําเป็นพื้นให้เดินพระพุทธเจ้าโอเคทําได้ก็ทําก็ให้ทําแต่ถามว่า<ะ>ใครต้องการมาเอาตรงนี้ไปก็มาเอาไปได้นะ ท่านก็บอกว่าอย่างนั้นถ้าเอาไปแล้วถ้ามีเหลืออยู่เนี่ยถ้าขาดไปเนี่ยก็จะเอามาเติมให้อย่างอิดหรือว่าอะไรเนี่ยนะ อ, อันนี้ท่านใดถวายนะครับเอันวาต้องไปตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องของพระพเจ้าสมัยก่อนๆ น, นู้นอ๋อไม่ใช่พระเจ้าองค์นี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นส่วนของความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบูชาที่จะได้ทําให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าบูชานั้นบูชาที่ถูก จะต้องรู้ถึงคุณธรรมของสิ่งที่เราบูชาบุคคลที่เราบูชาหรือเทพที่เราบูชาอืมจึงจะเป็นการบูชาที่ตามพุทธวจนะแล้วถือว่าผู้ที่ควรบูชาเป็นการบูชาอะไรนะคะการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นมันจึงพูดยากนะสมมติเราเห็นใครยกมือไหว้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งปากมุบไม่มุบไ ม, บ ม, บมบ่อย่างเงี้ยเอ๊ะนี่คนคนนี้ศิลปฏิบัติบารมีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉนั้นเราเราต้องทราบวาระจิตเขาถ้า<ช>ไม่ทราบเนะี่ยก็สํารวมจิตเราซะค่ะแต่ฉันคิดว่าบางทีการที่เราแสดงความเคารพ บ, บูชาการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น มันก็มีประโยชน์ในส่วนที่ประโยชน์กับเจ้าตัวของคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นได้ใช่ใชนะคะอันนั้นก็เป็นความรู้ที่เรานำเอามามอบให้ในรายการสัมมนาสนสทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวในช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะจากพระพิบูลอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีนมัสกการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะใ่จตุริพรค่ะท่านฟังค่าในส่วนของรายการเรานะคะรายการสัมมนาสนสทนาตอนนี้ต้องบอกว่าคําถามต่างๆ ท่านส่งมาเลยนะคะที่ worldwide pilthama com slash และที่02 269 0006ที่เบอร์เดียวกันนี้ค่ะท่านขอหนังสือได้ท่านคือคริสโสติพัโลนะคะประจานคือคริสท่านเจ้าว า, วารรณปะพงลำลูกกาคลอง10ฝากหนังสือ9้าย่างอย่างพุทธะซึ่งรวมพุทธวจนะกว่า40พระสูตรมาให้พวกเราวันละ3ท่านท่านละหนึ่งเล่มเช่นเดียวกับที่เรามี mp 3โดยลูกศิษย์ท่านพบูร ท่านหนึ่งเนนะคะได้ศรัทธาทำมามอบให้กับผู้ที่ต้องการจะไครครวนทำฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกศูนย์สองสองหกเก้าูนย์ศูนูย์หกเบอร์นี้จดเอาไว้แล้วก็ติดต่อเข้ามาก็แล้วกันค่ะวันนี้รายการสัมมีสนทนานะคะลาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านไปนก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พุทธ ว, วัสดีค่ะ